b o o ส2 23ามททวิสการเรียนภาษาต่างชาติว e ิเดชิภาษาศิคนะวิเดชิภานคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะอพันสเปนิชกูจะศิกลาท อพันสเปนิชกุเทเชคลาตคุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะอพันโปรตุกีสพูดตากะอค่ะและดฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะอนอรตหอนนอรีอิตา ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากมาลาวาติต t คูปชังเล่บลต t มลวิต t คูปชังเลบลต t มลวิต t คูปชังละบลตภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากยา่าภาษาคูปปัจเอกสารแค่าหิาาษาคูปปัจเสารแคหิุดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี มี त्या चांगल्या प्रकारे स म ज ू श क त ั त ดิ์โตมีที่อาจสังเกตุประการสัมจูศाกดิ์เตแต่การพูดและการเขียนมันยากป ल ाุลาอิลาอันิลิฮาอิลาคติหाนอหิปนบลลาอลาลิินหฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมากมีอ ज จ न ह ीหีขูปซุก้าคัมีอาจูเนหีขูปซุ ทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ क รุปยาปฏิทควีดีมาจाดสุขาดูुูสต์ตกระรากรุป्าปฏิेควีดีมาจัดสุขาดูรกการออกเสียงของคุณดีมากอพลีอุจาร์อักดิสสว्สด ह ेหิ प ल े उच्चार अ ร द อักดิสปัสต์อหิทธ च พลีอุจาร์อักดิสสวัสดีอหิ อักดิสพชต้าฮิตคุณมีสัมเนียงนิดหน่อยอพลีบอกหน้าจีดับจราชิेวกीียาเฮอพลีบอกหा้ीจีถัीหนีจราชิเวกรียาเฮอพลีบอกหน้าจีดับจราชิเวกรียาเฮอพลีบอीหน้คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหนอปันคุทุนอาลา ที่คนิฮีออกกูชักโตอปันคูทุนาลาที่ ह ीออูชตภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะอปลิมัตรุภาษาคอนติอาเฮอปุภาษตคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะอปันภาษาจะอ्พยั क ครม์ศิขाาคะอปันม์ศ ता ะ คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะปักต่อพกว่าปั่นตาักนต้พุสตกว่าปตตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้คะ่ะมาลตแต่จะวัดวัมละอัตตาแต่จะนาวัดวดนดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะแต่จะชิรชักมาละอัฐว न ดนัแต่จะชิชกมละอวั ह ी ดิฉันลืมไปแล้วค่ะมีวิสุรุนเกลืออาใหมีวิสรุนเกล